8. สหธรรมมิกาวักสิชันทะอาทัตวาคมณะสิกขาบทว่าด้วยการไม่ให้ชันทะแล้วไปเสียเรื่องพระชัพคี4ี9สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาบินทิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นทรงประชุมกันด้วยกรณียกิจบางอย่าง พวกพิสูจชาวพักีมัวตัดเย็บกีวร อ, อยู่จึงได้มอบชันทาให้ภิกษุรูปหนึ่งไปต่อมาสงตั้งยติว่าทรงประชุมกันเพื่อประโยชน์แก่กรรมใดพวกเราจะทำกรรมนั้นลำดับนั้นภิกษุรูปนั้นได้กล่าวว่าภิกษุเหล่านี้ทำกรรมแก่ภิสูรแต่ละรูปอย่างนี้พวกท่านจะทำกรรมแก่ใครกันเล่าไม่ให้ชันทะแล้วลุกจากอาสนะจากไป บรรดาภิกษุผู้มักน้อยพากันตำหนิประนามพนธนาว่าฉนัยภิกษุเมื่อยังมีเรื่องที่ต้องวินิจฉัยอยู่ในสงจึงไม่ให้ชันทะแล้วลูกจากอาสนะจากไปเล่าครั้นภิกษุทั้งหลายตำหนิภิกษุนั้นโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ